คุณพ่อเงียบไปครู่ของเพราะกำลังอยากกินชมพู่มากกว่าตอบคำถามไม่รู้จกของเด็กน้อยฉันจำเลิงเห็นคุณพ่อของเด็กชายเคี้ยวชมพู่อย่างสบายอารมณ์ใจนึกเร่งให้ตอบเร็วๆด้วยความอยากรู้ว่าทเด็ดของคุณพ่อที่มีตอบคำถามโลกแตกพันนี้เด็กทุกคนย่อมทึกทักว่าพ่อแม่ให้คำตอบได้หมด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 บอกได้คำเดียวว่าทุกคำตามมากองกังวานในหัวไม่หาย